กานที่เรามาเดินทุ ด, ดงเนาะในช่วงนีมน้มันเป็นเหมือนช่วงที่เรามาเน้นการฝึกตัวเราเองนะเป็นหลักถ้าจะว่าไปก็คือเน้นเรื่องประโยชน์ประโยชน์ตนนะเป็นหลักอาจจะไม่เหมือนมีความต่างจากการเช่นที่เราเดินธรรมญาตานะอันนั้นก็มีทั้งการ เดินนะ่ะปฏิบัติธรรมนะ่ะเป็นประโยชน์ตนแล้วก็เดินเพื่อเรียกร้องนะให้คนตื่นตัวเรื่องการรักษาธรรมชาตนะิก็เป็นประโยชน์ท่านไปด้วยนะ่ะ <c oughs> อันนั้นก็เน้นทั้งสองส่วนนะ่ะทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านแต่เราเดินเทอดนี้อาจจะเน้นประโยชน์ตนเป็นหลัก <c oughs> เน้นในการฝึกฝนตัวเราเองเป็นหลัก คือขัดเก่ากิเลสตัวเราเองเป็นหลักนะในการที่เรามาปฏิบัติตรงนี้นะมันก็ถ้าเราทำตรงนี้ได้ดีนะมันก็ประโยชน์ตนของเราเนี่ยมันก็จะพัฒนามากขึ้นแต่จริงในประโยชน์ตนเองมันก็มีประโยชน์ท่านอยู่ในตัวนะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกบางทีการที่การ ที่คนทําบุญนะกับคนที่มีคนที่มีศีล น, นะมันก็มีอันิสง์ที่สูงขึ้นนะคนที่ทําบุญกับคนที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมนะก็มีอันิสง์ที่สูงสูงกว่าการที่ให้ทานแก่คนที่ ท, ที่ทุศีลสูงกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานนะอันนั้นมันก็ มันเป็นผลพลอยได้ของเขานะอผลพลอยได้ของเขาแต่จริงมันก็มันเป็นการที่แม้เราทําประโยชน์ตนของเราให้ดีนะมันก็พลอยทําให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นก็สูงมากขึ้นไปด้วยนะ <c oughs> แต่สิ่งสําคัญในจริงคือพระเจ้าท่านสอนเราการจะทําประโยชน์ตนก็ดีนะ หรือทำประโยชน์แก่ผู้อื่นก็ดีหรือทำประโยชน์แก่ทั้งสองส่วนก็ดีนะสิ่งที่สำคัญจริงๆพระเจ้าท่านกำกับก็คือว่าการทำด้วยความไม่ประมาททำด้วยความไม่ประมาทเราจะทำประโยชน์ตนเน้นที่ประโยชน์ตนก็ดีนะก็ต้องทำให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแม้บางครั้งบางช่วงอย่างมหายานย่าเ น, นี้น หรืกิจกรรมที่เป็นเชิงพัฒนาคนอื่นพัฒนาสังคมต่างๆนะช่วยเหลือคนอื่นนะการทำประโยชน์ท่านนะก็ต้องถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหรือเราจะทำประโยชน์ทั้งสองส่วนนะก็ต้องทำให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้ถึงพูจะจ้าท่านเอาเอาความไม่ประมาทนะมากํำกับในการ ทำประโยชน์เพราะถ้าถ้าเราไม่เอาความไม่ประมาทนะหรือการมีสติมากำกับเนะี่ยการทำประโยชน์ตนบางครั้งมันก็จะกลายเป็นความเห็นแก่ตัวก็ได้นะหรือทำให้กลายเป็นความที่เรียกว่าไม่รับผิดชอบนะไม่ไม่รับผิดชอบหรือว่าหนีปัญหาก็ได้นะ หรือการทำแต่ประโยชน์ท่านนะถ้าไม่มีสตินะมันก็จะกลายเป็นเหมือนช่วยเหลือแต่คนอื่นนะแต่ไม่ช่วยตัวเองทำงานไปนะใจก็เป็นทุกขนะ์มีความคาดหวังแต่ไม่มีความปล่อยวางนะใจก็เป็นทุกขนะ์หรือบางคนเอาทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะแต่ก็ยังว่าถ้าวางใจไม่ถูกนะ มันก็เป็นทุกทั้งสองส่วนนั้นสิ่งสําคัญจริงๆนะคือการที่เราบางช่วงเวลาเราจะเน้นประโยชน์ตนก็ดีนะบางช่วงเวลานะในกิจกรรมในความรับผิด ช, ชอบเราจะเน้นประโยชน์แก่คนอื่นก็ดีหรือบางกิจกรรมเราก็เน้นทั้งสองส่วนก็ดีนะี่ยแต่สิ่งสําคัญคือการที่ทําอย่างไรนะทําอย่างมีสติเนะี่ย มีสตินะทำอย่างไม่ประมาทนะถ้าจะว่าไม่ประมาทในที่นี้ก็คือว่าอย่าประมาทนะที่จะให้กิเลสมันมาครอบงำใจนั่นแหละนะ <c oughs> คือถ้าเราเผลอถ้าเราประมาทนะความโลภนะมาจะแทรกเข้ามาก็ได้ความโกรธแทรกเข้ามาก็ได้ความหลงแทรกเข้ามาก็ได้นะี่อันนี้คือ เวลาถ้าเราทําอะไรแล้ว เ, เราไม่มีสติรู้เท่าทันแล้วกิเลสแทรกเข้ามาเนี่ยแหละนะมันทําให้เราดื่มตัวนะทําให้เราออกไปจากทำทั้งหลายเนี่ยแหละนี่คือสิ่งสําคัญมากนะเราเดินก็ดีเราพักก็ดีนะเออมันมีความสุขนะมันมีความทุกข์มันมีความคิดมันมีอารมณ์แทรกเข้ามาเนะี่ย ให้เรารู้เท่าทันตัวเราเองนะไอพวกนี้มันจะเป็นตัวที่จะคอยแทรกเข้ามาบ่อยๆนะเพราะว่าสิ่งที่มันกระทบเนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยเราก็เราเลือกไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญคือเหมือนการมาแบบนี้มันเหมือนคล้ายๆมามาเขย่าตะกอนบางอย่างนะที่มันมันนอนเนื่องในจิตใจของเราน่แหละนะ แต่ก่อนเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้หรือว่าเห็นก็อาจจะไม่ชัดเท่ากับตอนที่เรามาเผชิญกับความทุกข์ยากแบบนี้นเนะเราก็จะเห็นเวลากระทบกับความร้อนความเหนื่อยนะจิตใจเป็นแบบไหนนะเวลาได้นะ่ะมีคนเอานั่นเอานี่มาถวายนะ่ะจิตใจเราเป็นแบบไหนนะ เวลาใจมันคิดถึงแต่เป้าหมายนะมันลืมที่ปัจจุบันนะใจเป็นทุกข์เราเห็นไหมอย่างเงี้ยนี่คือมันก็จะดูดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตรงนี้นะมันก็คือตัวที่มันเขย่าตะกอนในใจของเราเนี่ยแหละนะที่มันหมักน ม, มไว้ในใจนะออกมาให้เราเห็นนะเราก็เนะี่ยทาแบบที่หลวงพ่อเขียนเขาบอกสนุกรู้นะ สนุกเห็นลองดูไปนะคือเราไม่ต้องไปพยายามทำให้มันแบบนิ่งๆเฉยๆนะแต่เราก็ให้มีความพอใจในการที่จะรู้เห็นอารมณ์ของเราเองเป็นหลักนะอารมณ์ของคนอื่นนะหรือสิ่งข้างนอกนะมันก็มันเราอย่าเป็นเน้นตรงนั้นมากนะการไปรู้จากคนอื่น การไปเรียนรูนะ้วัดวาอารามสถานที่ต่างๆตร ง, งนั้นมันความหลากหลายมันเยอะมากนะวัดในเมืองไทยก็มีหลากหลายสไตล์หลากหลายครูบาอาจารย์นะแม้เราจะบอกว่าเราเป็นเถรวาส น, นะแต่เป็นเถรวาสแบบ <c oughs> แบบหลากหลายมากนะี่ยหรือเราเดินเทิงดตรงนะเราก็โอ เห็นคนที่อยู่ตามชายชายตะเข็บ ป, ประเทศไทยนะก็จะมีคนหลายเชื้อชาติมากนะทั้งชาวเขานะทั้งชาวต่างชาติที่อพยพมาอยู่นะคนจีนก็มีคนพนม่า ก, ก็มีคนมอญก็มีนะเยอะมากนะออในความในชายขอบของประเทศไทยนะมีความหลากหลายของเชื้อชาติ วัฒน ธ, ธรรมนะสิ่ต่างๆเยอะแต่เราไม่ได้เป็นเน้นเรียนแบบแนวสังคมวิทยาหรือมนุษยวิทยาแบบนั้นนะห้แบบนั้นนะเรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบนะในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีเยอะละในทั่วโลกอีกก็มีเยอะแต่สิ่งที่เรามาเน้นเรียนเน้นเรียนดูเรียนรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในกายในใจของเราเนี่แหละนะ เวลาเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเน่ะเรารู้ทันไหมเวลาเกิดความพอใจขึ้นมาเรารู้ทันไหมเวลาเกิดกิเลสขึ้นมาเน่ะเรารู้ทันไหมเนี่ยคือเน้นมาเรียนรู้ตรงเนี้ยมันมันจบเร็วกว่านะจบทันทีก็คือว่าเมื่อรู้ทันปุ๊บนะมันก็ดับปั๊บทันทีเนะรู้ทันมันอีกนะมันก็ดับอีกนะมันเกิดขึ้นอีก เราก็รู้อีกเนะี่ยเร า, าเน้นเรียนรู้แบบนี้มันมันตรงดีนะแล้วก็เป็นทางที่ทำให้เราได้เอาไปใช้ต่อในในเรื่องอื่นๆไดนะ้วิชาทางโลกนะสิ่งที่น่าสนใจในโลกเนี่ยมันมีเยอะอ ม, มันมีเยอะนะแต่ถ้าเราพิจารณาดูดีนะชีวิตเราไม่ได้เยอะนะเราจะไปเรียนรู้แต่เรื่อง ทางโลกเรื่องข้างนอกเยอะเนี่ยเรียนยังไงก็ไม่จบนะแต่เราก็ต้องเรียนบ้างเพื่อเพื่อเอาไว้ใช้กับโลกนะแต่แต่ก็ให้เราเข้าใจว่าเออมันความรู้ทางโลกมันมันเรียนยังไงก็ไม่จบหรอกถ้าเราสนุกในการเรียนทางโลกนะเนี่ยมันก็มันก็มันก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นทางที่จะทําให้เราหลุดพ้นจาก วัตสงสารจริงจริงเลยนะแต่การที่เรากลับมาเรียนรู้นะเรียนรู้ความจริงของกายของใจเนะี่ยมันเป็นวิชาที่เราใช้ได้จริงๆรนะเมื่อเกิดความแก่เมื่อเกิดความเจ็บเมื่อเกิดความตายขึ้นมาเราสามารถที่จะอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายนะโดยใจที่ไม่เป็นทุกข์เพราะเราเข้าใจความจริงตรงนี้ได้แล้วนะ หรือเมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นมานะเน่ราก็รู้เท่าทันแล้ว น, ะน่ะโอ้ความไม่พอใจเกิดขึ้นมาเนะี่ยความอยากได้เกิดขึ้นมานะความหลงนะ่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นมาเนะี่ยเออเราก็เห็นแล้วนะเออเห็นละเมื่อเห็นแล้ ว, ม, ม, ลวมันก็จะทําให้เรานมันก็หยุดได้นะมันก็หยุดได้ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ ที่สำคัญมากนะที่เรานะจะได้เรียนรู้ตัวเราเองนะเราอาจจะเน้นที่ประโยชน์ตัวของเราเองนะในการฝึกหัดตัวเราเองเนี่ยเป็นหลักนะแต่การที่เราฝึกหัดตัวเราเองได้ดีนะต่อไปมันก็จะส่งผลต่อประโยชน์ผู้อื่นได้ดีเช่นเดียวกันนะเหมือนพระพุทธเจ้าอนะ่ะท่านเป็นเจ้าชาย ท่านเป็นพ็อมหากษัตริย์นะถ้าท่านเห็นว่าการทำประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองเป็นประโยชน์ที่เยอะแล้วท่านก็คงไม่คิดจะบวชแต่ท่านมองว่าการปกครองแบบนั้นมันก็คงมีประโยชน์ต่อในแคว้นในแผ่นดินของท่านเท่านั้นแล้วมันก็ไปอาจจะเป็นประโยชน์ที่ทางทางโลกเป็นหลักก็ได้แต่การที่ ท่านออกบวชนะโดยการหนีออกมานะแม้ แ, แรกๆหลายคนจะไม่เข้าใจนะแต่ตัวสิ่งสำคัญคือท่านเข้าใจตัวเราเองตัวเองไหมว่าอ๋อท่านหนีออกมาเพื่อจ ะ, สะแสวงหาความจริงนะแล้วก็รู้ว่าเมื่อสแสวงหาความจริงแล้วนะก็จะไปบอกต่อกับผู้อื่นต่อนะ อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคือท่านปีกออกมาก่อนปีกเพื่อมาศึกษาปีกเพื่อมาค้นหานะความจริงเมื่อท่านเข้าใจความจริงแล้วเออก็คิดถึงผู้อื่นที่จะบอกที่จะสอนคนอื่นให้รู้ตามพวกเราเองก็เหมือนกันนะบางทีบางช่วงเราก็มีช่วงที่ปีกออกมานะช่วงที่เราตั้งใจที่จะฝึกฝนตัวเราเองให้เข้มข้นขึ้น แต่ก็คือในใจก็คือว่าเราตั้งใจตรงนี้นะถ้าสิ่งที่เรารู้เราเข้าใจพอจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นบ้างเราก็เราก็นำไปแนะนำต่อไปเผยแพร่ต่อแต่บางทีก็ต้องกากับนะบางทีถ้าเราเนะี่ยยังไม่ชัดเจนนะถ้าเรายังไม่แน่ใจในสิ่งที่เรารู้ก็ อย่าพิ่งพูดมากอย่าพึ่งสอนมากเพราะบางทีสิ่งที่รู้สิ่งที่เราเข้าใจอาจจะผิดก็ได้นะแทนที่จะเกิดประโยชน์ก็อาจจะเกิดโทษก็ได้เนี้อันนี้เราก็ต้องระวังการสนทนาธรรมก็ต้องอรู้จักรู้จักอารมณ์ของเราเองด้วยนะรู้จักสิ่งที่เราจะพูดอย่างแท้จริงด้วยเนี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ในภายหลังนะแต่จริงยังไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะอย่างที่บอกตอนแรกว่าที่จริงการที่เราออกเดินทางนะนะบางทีมันก็ทำให้ศรัทธาญาโยมที่เขาที่เขาเห็นเนาะเกิดกระตุ้นนะความอยากจะเสียสละขึ้นมาเมื่อเราเดินผ่านนะก็กระตุ้นความรู้สึกอยากจะให้ทานแก่ญาโยมเนาะ ถวายน้ําถวายอาหารขึ้นมาหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกกระตุ้นความเพียรขึ้นชาวบ้านก็อาจจะทำไร่นด้เข า, า จ, จะเหนื่อยในการทำงานเขาเห็นพระเดินแบกของเดินตากแดดนะอ๋อพระท่านก็เหนื่อยเหมือนกันนะท่านก็ร้อนเหมือนกันนะเออก็ไม่ใช่แต่เราที่เหนื่อยไม่ใช่แต่เราที่ทุกข์ พระท่านก็เหนื่อยพระท่านก็ทุกข์เหมือนกันนะเหนืยก็เกิดความเพียรเหมือนสมัยพุทธกาลเขพระท่านจุดเทียนเดินจงกรมตอนกลางคืน น, ะนางทาบที่ทาข้าวเห็นพระท่านจุดเทียนนะตัวเราเองทํางานหนักนทะาข้าวถึงกลางกลางคืนก็ยังไม่เสร็จพระท่านเองก็ยังจุดเทียนอยู่ก็คงทําความเพียรทํา การงานบางอย่างเหมือนกันนะเออก็ทําให้รู้สึกว่าตัวเราเองก็มีกำลังใจนะมีศรัทธาต่อพระด้วยนะตัวเองก็มีความเพียรในการทําการงานด้วยบางทีบางอย่างเราไม่ได้สอนเข้าตรงๆนะแต่วิถีปฏิบัตินะมันบอกมันสอนอยู่ในตัวเหมือนเราเองนะเราเห็นพระธุ ด, ดง เราเคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยทุดงมานะเราเองไม่ได้เห็นท่านแต่พอเราได้ยินได้ฟังนะเออมันก็เกิดศรัทธาในการที่อยากจะลองทุดงแบบนั้นบ้างแบบนี้เนาะแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันทุดงสมัยก่อนที่ครูบาอาจารย์ท่านไปตามชนบทเนาะชนบทต่างๆก็มีป่าเยอะนี่ มีสัตว์ต่างๆเยอะนะมีที่เดีกเล่นนะมีหมู่บ้านพอได้บินทบาทแต่สมัยนี้มันถ้าเข้าป่าก็คือป่าอุทยานนะป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็แทบไม่มีหมู่บ้านเลยถ้าออกจากป่าก็กลายเป็นแต่หมู่บ้านนะแทบไม่มีต้นไม้นะไม่มีที่สงบสงัดไม่มีสัตว์ป่าละ มันก็อาจจะต้องเลือกนะบางทีทุ ด, ดงบางสายบางรูปแบบเขาก็เลือกเข้าป่าไปเลยนะแต่อาจจะไม่ได้เลือกในการบินธบนะัดก็พกพาอาหารเข้าไปลุยในป่าเลยแต่ทุดงทุดงบางสายก็อาจจะไม่เน้นเข้าป่าแต่เน้นการถือข้อวัดนแล้วก็อาศัยการบินธบาดการ อยู่กันชันที่โดยที่ไม่ต้องหงหาไม่ต้องพกพานะมันก็อาจจะไม่เหมือนกันหรือตูดงบางสายก็มีสเสบียงติดตามไปด้วยนะมันก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันเยอะนะแต่จริงถ้าเราเราก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบก็ได้ว่าอะไรดีกว่าอะไรนะแต่ขอให้เราเข้าใจว่า ที่เราเดินทางก็ดีเนะี่ยถ้าเรามุ่งมุ่งเป้าที่ว่าจะเน้นที่การขัดเกลาตัวเราเองนะอันนั้นมันถูกในการทุดงนะไม่ใช่ถูกที่รูปแบบว่าเข้าป่าหรือเปล่านะบินธบาตหรือเปล่ามีสเสบียงตามมาหรือเปล่าอันนั้นเป็นเพียงแค่รูปแบบข้างนอกที่อาจจะมีการจัดการหรือว่า รูปแบบที่แตกต่างกันนะซึ่งตัวนั้นเองก็ไม่ใช่เป็นตัวกาหนดว่าอะไรดีกว่ารูปแบบไหนดีกว่ากันหรือว่าใครที่เข้าในรูปแบบไหนเข่งกว่ากันดีกว่ากันคุณธรรมสูงกว่ากันนะถ้าเราไปมองแค่ข้างนอกนะบางทีมั น, ม, นมันยากเกินไปแต่จริงเราไม่รู้หรอกว่าจิตใจของแต่ละคนแต่ละท่านท่านมุ่งเน้นไงนะ ถ้ามีคุณธรรมสูงต่ำขนาดไหนเราไม่รู้แต่สิ่งสำคัญผมว่านะก็คือถ้าเรามุ่งเน้นที่เราจะพัฒนาตัวเราเองนะขัดเก่าตัวเราเองนะจะบางสถานการณ์เราอาจจะอยู่ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เนะี่ยถ้าเรามุ่งที่ตรงนี้ผมถือว่ามันมันตรงกว่าบางช่วงเราเข้าป่านะเราอาจจะมีสะเสบียงแต่เราก็มุ่งเน้นเพื่อ เพื่อการขัดเกลาตัวเราเองไม่ใช่เป็นการเที่ยวป่านะเหมือนเหมือนนักเดินป่าทั่ ว, วไปนะหรือเราจะเดินทั่วดงอาจจะไม่ได้เข้าป่ามากนะักเดินตามชายขอบป่าแต่เราก็เน้นในการขัดเกลาตัวเราเองให้อยู่ง่ายกินง่ายนะฝึกสติในการเดินท่ามกลางความร้อนหรือบางช่วงก็อาจวุ่นวายบ้างนะมันก็เกิดประโยชน์เหมือนกัน หรือบางช่วงกิจกรรมแล้วอาจจะเช่นธรรมญาตานะหรือทุตองค์บางส่วนที่เขาอาจจะมีการจัดกา ร, รมีคนเยอะนะ <c oughs> มีการจัดการบางอย่างมาเสริมแต่ถ้าเราสามารถรู้เท่าทันกิเลสตัวเราเองอ้อข้างนอกเขาวุ่นวายนะคนเยอะแต่ใจเราไม่วุ่นวายกับเขานะมีสิ่งกระทบเยอะมีกิจกรรมเยอะเอนะ แต่เราก็สามารถวางใจในสิ่งที่กระทบได้นะวางใจในการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆได้นี่มันก็คือเกิดประโยชน์เหมือนกันนะอันเนี้คือมันอาจจะมีความแตกต่างกันที่รูปแบบแต่ถ้าจิตใจของเราเนี่ยเป็นการมุ่งมุ่งมั่นในการขัดเกาตัวเองด้วยความไม่ประมาทด้วยความรู้เท่าทันกิเลสที่มันจะเกิดขึ้นในใจเนี่ยอันนี้คือ คือสิ่งที่สำคัญมากนะอย่งที่สาคัญมากวก็อยากให้พวกเราจับประดักตรงนี้นะให้ให้ชัดเจนนะนะ่ะคือคือการจะทำอะไรก็ทำด้วยความไม่ประมาทนะมีสติคอยรู้เท่าทันนะเวลาเกิดอารมณ์เกิดความคิดเกิดกิเลสที่มันจะแทรกเข้ามานะหรือในการที่เรารู้เท่าทันนะ นะความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนะทุกข์ของกายมันเกิดขึ้นมามาส่งผลต่อความทุกข์ใจหรือเปล่านะนี่คือเราก็ให้เรารู้เท่าทันตรงนี้เนะ่มันจะเป็นการที่เราเรียว่าได้เดินตามรอยพระพุทธเจ้าเนาะนะเดินตามรอยพระอริยสงฆ์นะเราอาจจะไม่ได้เดินในเส้นทาง อย่างเช่นจาริกที่อินเดียนะเติมเดินตามรอยสถานที่สำคัญต่างๆหรือเราอาจจะไม่ได้ไปตามป่าตามถ้าที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยอยู่แต่นั้นมันเป็นแค่สมมุติเฉยๆหรอกนะแตก่การเดินตามรอยจริงๆคือเดินเดินตามรอยธรรมข้างในคือการขัดเก่ากิเล็ภายในนี่แหละนะี่คือ คือรอยแผนที่ในะการเดินทางสูนะ่จากปุตุชนสู่ความเป็นอริยะนะจากความทุกขนะ์สู่ความไม่ทุกข์นะี่อันนี้คือเส้นทางที่ที่แท้จริงเนาะนะก็อยากจะฝากไว้ครับ